อาจารงพนก็แบบเจออาจารย์เาพนตั้งแต่ยันแต้มยันไม่บวดนละก็ <g år> ทยสุดก็ที่มาเจอกันใบเดียวคือตอนที่อาจารย์เพนมาอยู่ที่สุกโตแล้วก็อาจารย์เาพนก็มาอยู่ในความดูแลของคุณเอตัว น, นี้ก็คุณเอก็พูดหน้าฟังนะคุณเอบอกสรุปสรุป ว่าที่คุณเอดูแลอาจารย์กมพลมาในหลายๆปีนี้คุณเอดูแลอาจารย์กมพลเพราะว่าคุณเอดูแลคนคนหนึง่งแล้วก็คนคนหนึ่งนี้ก็ทําประโยชน์ให้กับคนอีกหลายๆคนเยอะตัวนี้ก็เป็นมันเป็นสิ่งที่เราก็ถ้าดูลงไปในรายละเอียดเนอะ อาจารย์กพลก็เป็นคนที่ดูเหมือนไม่ค่อยน่าเป็นทําประโยชน์ได้กับคนอื่นได้แต่ว่าคุณเอกก็มองเห็นนะอยู่กับอาจารย์กมพลมาก็มองเห็นประเด็นนี้จริงๆก็คุณเอกก็เหมือนกับมองเห็นความพิเศษของอาจารย์กพลตั้งแต่แรกเนะีในเชิงที่เออคนพิการคนนี้ทําไมถึงได้ดูแบบดูต่างจากคนอื่น ซึ่งเราดูเนาะเออคนพิการคนหนึ่งทําไมถึงได้ดูต่างจากคนอื่นตรงนี้มันความต่างจะอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมความต่างใบหน้าท่าทางเนาะก็เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเออนี่คนนี้ต่างกับคนอื่นว่าว่านั่นคือท่าทางของคนพิการหรือใบหน้าของคนพิการนะจะเป็นสิ่งที่มันมัน มันออกมาจากเขาเรียกว่ามันออกมาจากภายในนะมันออกมาจากจิตใจตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้อาจารย์กระพลเป็นพิเศษเนาะอาจารย์เป็นกระพลเป็นพิเศษพอมาถึงอย่างช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรากําลังเตรียมงานเนาะกำลังเตรียมงานที่จะประชุมเพลิงอาจารย์กระพลนี่เมื่อวานก็ทำทำงานอยู่ตรง ตรงตรงส่วนนี้จะเป็นกล่องฟอนก็มีคำถามเนาะเรากำลังทำอะไรกันอะไรต่างก็ยิ่งพอตอนที่เราเย็นเย็ น, ยนตัดขอนไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีผู้คนเริ่มทยอยมาที่จะมาร่วมงานสวดอภิธรรมตอนเย็นเนี่ย ก็กําลังทาสีอยูก่ก็ถามเราทาสีอะไรทําไปทําไมอะไรต่างๆมัก็เป็นสิ่งที่ก็เป็นสิ่งที่เราก็เออใช่ไหมแบบในความตั้งใจในตามตั้งใจของเราเราก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์กุพนก็พิเศษเราเราก็อยากที่จะทําอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษต่ออาจารย์กุพลจริงๆ เหมือนกับว่ากองฟอนเนาะก็ก่อกองฟอนขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็เผาร่างกายของใครคนใดคนหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยก็เคยมีประสบการณ์อันนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆ เ, เนาะหนึ่งจากว่ายมแม่ก็เสียชีวิตตั้งแต่นูน่นอายุ12ขวบแล้วก็พศ5 0 8นะตอนนั้นก็อยู่ที่ต่างจังหวัดก็เผาแบบนี้ละ ก่อกองขึ้นมากอกองไม้ขึ้นมาก็าจําได้ว่ามันก็เป็นกองไม้ที่เป็นระเบียบเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีเชิงตะกอนที่เป็นตัวกรอบตัวอะไก็เห็นเห็นเห็นอยู่ว่าเออเขาทำเลียงเลียงเลียงเลีงขึ้นมาสวยดีพอถึงอาจารย์ยงพลก็จำภาพแบบนั้นได้เนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออจะทําให้มันยังไงให้มันดูแบบว่า ดูพอเหมาะพอสมนะพอเหมาะพอสมกับคนพิเศษพิเศษคนหนึ่งเพราะว่านั่นคือเราก็มีความรู้สึกว่าเราจะหาคนอย่างอาจารย์กบพลเนาะไม่ได้ง่ายนักเพราะนั่นคือจะทำอะไรให้กับอาจารย์กบพนะตอบแทนคุณงามความดีที่อาจารย์กบพลทามันก็เป็นเรื่องที่ที่เราก็เหมือนกับก็ต้องเอาใจใส่ เอาใใส่หรือว่าก็ต้องคิดเนาะก็ต้องคิดให้ให้ดูเหมือนกับพอเหมาะพสมพอดีตรงนี้ก็คือดูอาจารย์กำพลเนาะดูอาจารย์กำพลตั้งแต่เจออาจารย์กำพลตั้งแต่นุ่นตั้งแต่ก่อนที่จะบวชล้วก็มีความรู้สึกว่าคนนี้ก็เออมีความพิเศษมีความพิเศษที่ ที่สะดุดตาใครๆเห็นอาจารย์กมพลก็เป็นแบบนั้น <laughs> มีครั้งหนึ่งอาจารย์ยุกินะก็เป็นพระญี่ปุ่นนะช่วงประมาณปีสี่แปดสี่เก้าเลยอาจารย์ยุกิก็จะมีพวกคนญี่ปุ่นเนี่ยบินมาหาอาจารย์ยุกิในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเยอะๆนะก็ต้องเรียกว่าชุดหนึ่ง กลับไปอีกชุดหนึ่งก็มาอีกชุดหนึ่งกลับไปก็อีกชุดหนึ่งก็มาแล้วตอนนั้นจันยูกิก็บอกบอกว่าคนญี่ปุ่นนี่เขาแบบว่าฆ่าตัวตายกันเนี่ยมากกว่าอุบัติเหตุบนถนนตอนนั้นอาจารยูกิก็บอกว่าประมาณสักปีหนึ่งสักสามหมื่นห้าพันคนหรืออะไรอย่างเงี้นะว่ากลว่าคนญี่ปุ่นที่มาหาจันยูกินี่ก็คือ อาจารยุกิบอกว่าบางคนเนี่ยเคยฆ่าตัวตายมาห้าคนแล้วแต่ก็ไม่ตายนะอาจารย์ยุกิจะใช้วิธีว่าเช้าวันรุ่ขึ้นของการมาถึงเนี่ยอาจารยุกยิจะพาไปหาจันกรพลตอนเช้าแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนญี่ปุ่นที่ไปเจออาจันกรพลเนี่ยเหมือนกับว่าได้เห็นเลยว่าทุกข์ของตัวเองเนี่ยมันมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่เป็นอีกเรื่องนึเ่งเลย พอเห็นอาจารย์ยิพลยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสพูดคุยนู้นพูดคุยนี่ก็พวกเขาเองเขาก็เหมือนกับว่าได้กลับมาทบทวนตัวเองนะว่าเอเราเป็นยังไงซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ยูกิก็รับรับช่วงต่อจากอาจารย์สมพลตรงนั้นก็อาจารย์ยูกิก็อาจจะเหมือนกับว่าได้ได้ทำให้คนญี่ปุ่นตรงนั้นเขาเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าเปิดใจรับฟังเนาะอาจา ร, รย์ยุกิหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นในช่วงของความเจ็บป่วยของอาจา ร, รย์กมพลจริงๆก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้เหมือนกับว่าคอยดูแลเนื่องจากว่าคุณเอกับทีมทีมนะทีมดูแลจะมีสุทินจะมีโอจะมี สุเทพจะมีอมใครอะเท่ๆนะตอนหลังก็จะมีแบบว่าสี่คนตรงนี้นะที่คอยที่คอยดูแลอาจารย์กมพลอยู่ก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าดูแลใกล้ชิดนะเนื่องจากว่าอาจารย์กมพลช่วยตัวเองไม่ได้ในเรื่องความพิการวันนั้นนั่นคือการอาบน้ําอาบท่าการอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่ ที่ต้องต้องช่วยต้องช่วยตลอดเวลาแต่ว่าตรงนี้เท่าที่คุยกับสุทินเนะเคยถามสุทินแบบว่าแบบว่าเวลาที่อาจารย์กุพลแบบว่าป่วยๆนี่สุทินดูแลอาจารย์กุพลแล้วสุทินมองมองแบบว่าเวลาไหนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเวลาไหนที่เราจะเข้าไป ที่จะเข้าไปเหมือนกับว่าต้องทําอะไรมากกว่ามากกว่าปกติเป็นพิเศษนี้สุทินดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะสุธินก็จะบอกบอกว่าอาจารย์กัพลก็จะเหมือนกับว่าถ้าวันไหนเนาะพูดน้อยลงพูดน้อยลงก็จะสังเกตสังเกตสังเกตแล้วก็เหมือนกับว่าดูดูดูแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่อง เหมือนกับอาจารย์กมพลระยะหลังเนื่องจากว่าอาการมะเร็งในตับเนาะคิดว่าที่หมอบอกเด่นๆก็คือเรื่องความเจ็บปวดภายในแต่ว่านั้นคือคุณสุธินก็บอกบอกว่าสังเกตสังเกตเอาแสดงว่านี่อาจารย์กมพลไม่ไม่ได้เ อ, อ่ยปากบอกนะ ก็เราก็มองเห็นมองเห็นแบบนี้ตลอดนะว่าเออตาจารย์กพก็จำเหมือนกับว่าเรื่องของการบวดเจ็บบวดปวดเลยอะไรอย่างนี้หรือว่าจะพูดถึงเรื่องอาการเจ็บปวดภายในนี้ไม่ต้องเรียกว่าไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้จะเรียกว่าไม่ค่อยได้ยินก็ไม่ได้นะต้องเรียกว่าเมื่อถามนะถึงจะได้คําตอบเมื่อถามถึงจะได้คําตอบ แล้วก็ในขณะที่สิ่งที่มองเห็นตลอดมาก็คือตั้งแต่อยู่สุกโตเนะจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผู้คนเนี่ยจะเข้าหาอาจารย์กระพณตั้งแต่เช้าจดเย็นเช้าจดเย็นตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่อาจารย์กระพณก็จะพูดนะพูดตั้งแต่เช้าจดเย็นเช้าจดเย็นรับแขกอในวันนี้อะไรต่ า, น า, น า, นางๆจนกระทั่งแม้เมื่อ วันที่สิบหกวันที่สิบหกเช้าวันนั้นก็ก็เข้าไปเจออาจารย์ตั้งแต่เชา้าเนาะอาจารย์ก็ตาขุนๆเนาะตาตาไม่ใสนะฮะเหมือนกับไปโรคภัยที่คุกคามอยู่ข้างในก็หมอ ก, ก็เคยบอกบอกว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยในช่วงที่ของเสียขึ้นสมอง คือหมายถึงว่าพอตับทำงานไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ร่างกายก็แสดงออกถึงของเสียที่ขึ้นสมองของเสียขึ้นสมองก็จะปรากฏอาการเป็นหนึ่งก็คืออาการเพ้อนะครับเพ้อแล้วก็สองก็คือความจำเสื่อมเช้าวันนั้นเจอหน้าอาจารย์ครับอาจารย์ก็พูดกับพูดกับเราด้วยแบบเหมือนกับเทพยืดนะ แต่อาจารย์ก็ไม่ไม่ได้พูดผิดอะไรนะแต่ว่าชา้ชาๆบ้าๆไอ้การประมวลความจำหรืออะไรมันคงจะต้องอาศัยอาศัยความความต้องอาศัยความสามารถสักหน่อยหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคุณเอกก็บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยอาจารย์ก็เพอ้อตลอดเลยเนาะแต่ว่าอาจารย์ก็ก็รู้ตัวนะว่า เพอแต่ว่าก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่านั้นคือมันเป็นเรื่องของอาการทางกายที่ที่ก็ต้องเป็นไปแบบนั้นว่าว่าหมอก็กบอกเอาไว้อย่างงี้นะ <S <S คืออาการทางกายอาจารย์ก็บอกว่าก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะห้ามก็ยังไงก็ต้องปล่อยเขาไปตามนั้นมันนั้นจนถึงเย็นนี้เย็นนี้ก็คือหมายถึงหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งอะไรอย่างนี้อาจารย์ก็ไม่ได้หลับไม่ได้หลับเลยนะทั้งทั้งที่ ช่วงนั้นก็เป็นช่วงปลายๆมากๆแล้วนะอาจารย์ก็ได้พักผ่อนไม่มากอาหารก็ไม่ได้มากนะแต่ว่าอาจารย์ก็อยู่กับการเบียนเข้าเบียนออกของผู้คนตั้งแต่เช้าเนี่ยจดเย็นเนี่ยอย่างเรียกว่าอาจารย์ก็ไม่ได้มีสีหน้าท่าทางที่ลำคานอะไรนะแล้วก็อาจารย์ก็ไม่ได้เรียกร้องขอการพักผ่อนเพื่อ เพราะความเหนื่อยหรืออะไรยต่างก็เราก็ดูว่าโอ้มันก็เป็นสิ่งที่พิเศษมากมากนะว่านี่ีร่างกายเนาะแบบในขณะนี้อาจารย์ก็ยังก็ยังเหมือนกับมีจิตใจที่ไม่ได้ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเลยใน ในภาพในภาพแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตลอดนะตั้งแต่สุกโตตั้งแต่อะไรอาจารย์ก็จะรับแขกตั้งแต่เช้าจนเย็นอาจารย์เคยบอกว่าเนี่ยเวลาผมพูดเนี่ยกระ벙ลมงงเนี่ยที่มันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพูดมันมันเหมือนกับอาจารย์บอกว่ามันใช้งานได้ไม่มากแต่ก็อาจารย์ก็เรียนรู้เนาะที่จะเหมือนกับว่า ที่จะใช้อส่วนที่มีหรืออยู่ น, น้อยๆนะจนกระทั่งผู้คนก็ไม่เคยสังเกตนะว่าเวลาที่อาจารย์พูดอาจารย์ต้องใช้ความสามารถสักแค่ไหนหรือว่าไม่ไ ม, ไม่จะพูดปิดไปไม่ได้ใช้ความสามารถใช้ความพยายามสักแค่ไหนในการพูดเนี่ยนี่นี่ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกอาจารย์ก็ไม่เคยก็เรียกว่าไม่เคยแสดงอาการเนาะแสดงอาการของความบกพร่องของร่างกายเนี่ย ให้คนอื่นเห็นแต่ว่านั้นคืออาจารย์ก็ใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยในภาพแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นหลวงพ่อคำเขียนก็เหมือนกันหลวงพ่อคำเขียนเวลาที่ดูแลท่านท่านก็จะบอกเนาะบางบ้างดูเอานะว่าจะจะเหมือนกับว่าจะช่วยหลวงพ่ อ, อยังไงหรืออะไรยังไงต่างๆให้ดูเอาแล้วเราก็มองเห็นว่าหลวงพ่อก็เออเรียกว่า น้อยมากๆนะที่จะบอกบอกว่าคือหมายถึงไม่ไม่ใช่ว่าเรียกว่าน้อยมากๆเรียกว่าถ้าไม่ถามเนี่ยนะหลวงพ่อไม่บอกเลยเอางันดีกว่านี่ก็มันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับหลวงพ่อเองก็ให้คำตอบตรงนี้บองว่าอ้าวก็เดืมันเจ็บมันปวดแล้วเนาะใช่ไหมอย่างนั้นจะไปร้องโอดโอยให้มันคัดพุนไปทำไมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่ร่างกายเนาะก็เป็นเรื่องที่วางไปเนาะความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็หลวงพ่อก็พูดชัดเจนนะว่าบอกว่าหลวงพ่อยกให้หมอเขาไปลนะเนะี่เรื่ความเจ็บป่วยอะไรก็ยกให้หมอก็ไปคําว่ายกให้หมอเขาไปในทางธรรมนี่ก็หลวงพ่อก็ปล่อยวางเนาะแล้วหลวงพ่อก็วางได้แบบเรียกว่าร้อซ็นไปเลย แต่ว่าทํานองเดียวกันเนี่ยในอีกความหมายหนึ่งของทางทางโลกนะหลวงพ่อก็บอ ก, กบอกว่าหมอเขามีความรู้ดีนะเรื่องความเจ็บความป่วยเนี่ยไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปคิดเลยนะว่าไอ้ความเจ็บความป่วยพวกเนี้ยมันเป็นอะไรเราเป็นอะไรหรืออะไรไงคือหมอเขาเรียนรู้มาเขาข้ามน้ําข้ามทะเลไปเรียนกันมาเราไม่ต้องไปถามเขาเขาดูดูเอาเขาเขาแก้ไขให้เราเองอย่างนี้ย ซึ่งนี่คือเป็นเรื่องที่ก็เป็นจริงนะคือหมายถึงว่าถ้าเราเหมือนกับมีอาการเจ็บป่วยอะไรยังไงต้องไปหา ห, หาหมออะไรเงี้ยนะสิ่งหนึ่งที่มักเคยเห็นก็คือหมอก็หลายคนก็จะมาพูดให้ฟังว่าแบบว่ า, าคนไข้ก็จะมาบอกเลยนะว่า อันนั้นอันนี้ขอให้หมอขอให้หมอช่วยแก้ไขให้ทีหนึ่งซึ่งในการเป็นอันนั้นอันนี้จะเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นความเข้าใจของคนเป็นเนาะคนเป็นไข้ก็เข้าใจอย่างนั้นแล้วไปถึงหมอก็เหมือนกับคล้ายๆว่าสั่งหมอเลยว่าผมเป็นอันนี้แก้ไขให้ทีซึ่งอันนั้นก็มันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของความเข้าใจไม่ถูกเนาะของตัวเองแล้วก็ หลวงพ่อเองก็ช่วยบอกให้แต่ละคนแต่ละคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยเข้าใจแบบนี้ว่าเออนะลรไปัไข้เจ็บเนี่ยหมอก็รู้ดีกว่าเราตรงนี้ก็ช่วยนะหมายถึงว่าในเราในฐานะลูกศิษย์อะไรเงี้ยเราก็มีนวามรู้สึกว่าเออไอการที่เราจะต้องคอยมาสังเกตตัวเองนะว่าเราเป็นอะไรยังไงแล้วก็บอกหมอไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองก็ทําแบบนั้นมาตลอด อาจารย์กมพลก็ทําเหมือนกันไม่เคยพิพากษานะว่าตัวเองเป็นไอ้นู่นเป็นไอนี้จนกว่าหมอเขาบอกอะไรต่างๆนานาแล้วก็ทําไปตามนั้นซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ความเจ็บป่วยนะก็มันก็ไม่เป็นทุกข์นะของอาจารย์กมพลหรือของหลวงพ่อคาเขียนความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยถ้าดูดูจากดูจาก หลวงพ่อกําเขียนดูจากอาจารย์กำพลเนี่ยคือคล้ายๆว่าเราก็เห็นชัดเจนนะว่าธรรมะเนี่ยนะช่วยนะช่วยให้เหมือนกับว่าทั้งหลวงพ่อกําเขียนทั้งอาจารย์กำพลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทุกเนาะไม่ได้ทุกไปกับอาการอาการตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าคล้ยๆว่าการการที่เนาะ ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนหรือไตรลักษณ์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้เนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติธรรมในระดับหลวงพ่อคำเขียนในระดับอาจารย์กมพนตรงนี้ก็เข้าใจชัดเจนเนาะจากสิ่งที่ปรากฏขึ้นเนาะกับตัวเองมายาวนานอย่างอาจารย์กมพลเนี่ยนะก็บอกบอกว่าพอเวลาที่เริ่มปฏิบัติธรรมตามแนวหลวงพ่อคำเขียนบอกเอาไว้เนี่ย เวันนีอาจารย์กรพลก็บอกบอกว่ารู้เลยนะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปคนรอบข้างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า7วันแรกเนี่ยที่อาจารย์กรพนได้ปฏิบัติเนี่ยก็อาจารย์กรพลก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนก็100นะที่ทุกไปกับร่างกายที่พิการทุกไปกับอากัปกิริยาของคนรอบข้างที่เหมือนกับว่าเวลาที่ ตัวเองอยากที่จะให้คนอื่นมาดูแลคนอื่นก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจเนาะคนอื่นก็ทำกิจของตัวเองไปหรืออะไรต่างๆตรงนี้คุณเอ๋ก็พูดเนาะบอกว่าอาจารย์กำพลไม่ได้ต้องการการดูแลอะไรมากนอกเหนือจากว่าเวลาที่อาจารย์กำพลอาจจะต้องการการขับถ่ายเนาะหรือว่าการอาบน้ำประจำวันอะไรเงี้ยแค่แค่นั้นอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นคือคนดูแลก็ไม่ได้ไม่ได้ เรียกว่าไม่ได้ต้องคอยต้องคอยดูแลมากไปกว่าความจำเป็นนั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่อพอเวลาที่เห็นเนาะเห็นคนที่มีธรรมเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยเราก็เป็นความรู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของร่างกายลุนๆุนไปเลยนะเนาะจิตใจนะ่ะไม่ได้เจ็บป่วยเลยเห็นอาจารย์กำพลเนี่ยในวันวันสุดท้ายสุดท้ายอย่างเงี้ยเนาะ เราก็เห็นได้ชัดๆเลยนะครับว่าเออนะยิ่งวันสุดท้ายเนาะที่ได้เห็นอาจารย์กรพล์คือวันที่ยีิบสองเนี่ยวันนั้นอาจารย์กรพณ์ก็เขาเรียกว่าเหมือนครับก็น่าจะอยู่ในอาการของกายที่น่าจะหลุดแรงมากแล้วแต่อาจารย์กรพณ์ก็แบบหน้าตาก็สงบนิ่งเนาะ แล้วก็ร่างกายก็ไม่ได้ดิ้นทุรนทุลายอะไรแล้วก็จนในท้ายที่สุดเนี่ยอาจารย์โน้ตที่ท่านดูอาจารย์กพลอยู่จนถึงบรรลสุดท้ายเนี่ยท่านก็ไม่ได้เห็นอาการของกายที่ทุรนทุลายอะไรอาจารย์กพลใช้มอร์ฟีนอ่อนๆเนี่ยเนาะก็อยู่ในแค่ช่วงประมาณตั้งแต่วันที่17นะเนาะถึงวันที่23บสเนี่ยแปจะเป็นการใช้ยาแป เหมือนหลวงพ่อกำเขียนนะก็ใช้ยาแปะตรงนี้ซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องที่แล้วก็มีความรู้ถึกว่าไม่กี่วันนะครับสุดท้ายที่ใช้เนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าอืมอาจารย์ก็เหมือนกับอาจารย์ก็บอกเนาะอย่างอาจารย์ก็จะบอกอกว่าในช่วงวันที่16อาจารย์ก็บอกขอยานอนหลับขอยานอนหลับหน่อยซึ่งตรงนี้ก็ ความเจ็บปวดเราไม่รู้เว่าแค่ไหนแต่อาจารย์ก็บอกบอกว่าเออนี่เนี่ยขอสักขอขนาดนี้อะไรอย่างนี้ต่างๆหลวงพ่อเขียนก็เหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันการที่หลวงพ่อเอมเขียนจะบอกจะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้หลวงพ่อก็จะบอกตามเขาเรียกว่าอย่างที่เราก็มีความรู้สึกว่าน้อยมากเนาะน้อยมากคุณหมอก็ทําหน้าที่ของคุณหมอไป ให้คำปรึกษาหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้ตังนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชี่ยวชาญของหมอที่จะพินิษพิจารณาจากคำจาก ค, คบอกเนาะจากคำบอกเล่าของของขอาจารย์ของหลวงพ่อคำเคียนเนี่ยดูจากการที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาจารย์กมพลอาจจะต้องการการดูแล มากกว่าหลวงพ่อกำเขียนแต่ว่านั้นคือคิดว่าตั้งแต่รู้จักอาจารย์กำพลมาสิบกว่าปีเนี่ยคิดว่าคนรอบข้างเนี่ยไ ม, ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกทุกขนะ์เนาะไปกับการที่ตัวเองต้องมาดูแลตรงนั้นเพราะนั่นคือก็เรียกว่าพอคนมีธรรมนะหลวงพ่อจะบอกบอกว่าจะรับผิดชอบตัวเองได้เนาะไม่ทำให้ตัวเองทุกข์แล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นทุกข์ ตันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าหลวงพ่อก็สรุปเนาะสรุปง่ายมากๆง่ายมากๆเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้พอคำสุดท้ายที่พระจา น, นทร์โนธบอกบอกว่าอาจารย์กพภนก็บอกกุศเอ๋เอาไว้ว่าคำว่าบรรลุ ธ, ธรรมเนาะมันเป็นสัมแต่คำว่าสิ้นทุกเนาะมันเป็นของจริง เรนี้ก็คือมันก็เราก็ได้เห็นนะเหมือนกับว่าลมหายใจที่เหลืออยู่ของอาจารย์กมพลตั้งแต่ในช่วง20ปีหลังอะไรเงี้ย น, นะอาจารย์กมพลก็เหมือนกับว่าก็ไม่ได้มีทุกข์ไปกับสภาวะไหนๆยังไงการดาเนินชีวิตประจำวันหรืออะไรต่างๆนาน า, น า, นานเหล่านี้ก็ไม่ได้มีทุกเพื่อไม่มีทุกเนี่ยอาจารย์กมพลก็ใช้ร่างกายของอาจารย์ให้เป็นประโยชน์นะ ให้เป็นประโยชน์กับผู้คนเนี่ยมากมายนั่นนั่นคือถึงนาทีนี้เนี่ยเราก็มองเห็นนะผู้คนมากหน้ายหลายตาก็ทยอยมาทยอยมาเหมือนกับว่ามากราบมากราบศพอาจจัยของพลมาร่วมงานอะไรต่างๆทั้งที่อาจารย์กัปพลก็มาอยู่ถึงปังช่องที่ตรงนี้ก็ไม่ได้มาง่ายนักอะไรย่เงี้ยนะั่นนั่นคือนี่นี่คือสิ่งที่พวกเราเนาะก็อาจจะได้เรียนรู้เนาะ ได้เรียนรู้ว่าธรรมะเนาะก็ได้ช่วยเนาะช่วยแยกเนาะแยกออกว่าโอ้นี่ความทุกข์ของกายเนาะอันนี้ความทุกข์ของใจหลวงพ่อเขียนจะบอกตั้งแต่แรกนะครับว่าเรื่องของกายเนี่ยเรื่องความเจ็บป่วยของกายเนี่ยบอกหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อช่วยได้แต่เรื่องใจเนี่ยต้องจัดการกันเองแล้วก็แต่ว่าหลวงพ่อกล่าว่าจัดการกันเองตัวนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ทิ้งพ่างพวกเรานะ เพราะานั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อบอกไว้ให้หรือจะบอกอาจารย์กมพลก็คือรู้สึกตัวนะรู้สึกนะดูนะไม่ใช่เข้าไปเป็นตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่หลวงพ่อเองก็ฝึกฝนมาเราก็เห็นผลจากหลวงพอ่ออาจารย์กมพลเองก็ฝึกฝนมาเราก็ได้เห็นผล จ, จากอาจารย์กมพลเพราะนั้นนั่นคือทุกครั้งที่เราอาศัยกายที่เคลื่อนไหวอันนี้เนี่ยเนาะเราก็ดูกายที่เคลื่อนไหวดูใจที่คิดนึกหัดดูแบบนี้เนี่ย เมื่อเราดูเนาะดูตามที่หลวงพ่อบอกเราก็จะไม่เข้าไปเป็นอย่างนี้นะตรงเนี้ยเราก็เป็นสิ่งที่ให้พวกเราเนี่ยได้ลองสังเกตว่าไอ้การดูของเรากับอาการอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็ดีหรือการที่เข้าไปเป็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็ดีเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเนาะแล้วเราจะดูได้เมื่อเรารู้สึกตัวหรือเปล่าหรือเราเป็นได้ตอนไหนตอนที่เราหลงไปยังไง ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้พวกเราเนี่ยได้สังเกตเพราะว่าเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์ก็ได้เหมือนกับว่าให้ให้กุญแจสําคัญก็ได้นะให้เคล็ดลับเอาไว้เนี่ยแต่ว่านั่นคือพวกเราอะก็ต้องทํากันเองนั่นก็คือตรงนี้ก็พวกเราจะใช้เวลาตอนไหนยังไงก็หัดเนาะหัดดูตอนนี้กายเราเป็นยังไงตอนนี้ใจเราเป็นยังไงตรงนี้เป็นสิ่งที่ในขณะที่หัดเนี่ยมันก็ ได้ผลอยู่แล้วเนาะหลวงพ่อบอกว่าหลงอนะจะทําให้เราแข็งแรงหลงนั่นนะจะทําให้เราได้เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนเนี้ยเนาะก็ขอให้พวกเราเนี่ยก็ได้ปฏิบัติแบบนี้ละคําสั้นๆของครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นคําที่เป็นก็เรียกว่าเป็นเคล็ดลับเป็นกุญแจสําคัญแล้วเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้ครูบาอาจารย์เนาะได้ทําให้ดูจนกระทั่งบวลาสุดท้ายของท่านจะเป็นหลวงพ่อขมเขียนก็ดีอาจารย์กัมพลก็ดีตรงนี้ พวกเราเดินลอยตามพวกเราก็จะได้รับความไม่ถูกเหมือนกันเนาะองนั้นเอาพวกเราก็กลาบพร้อมกันเดี๋ยวกล่าวมีอะไรดีๆเยอะๆที่จะตื่นขึคือเอเกี่ยวกับที่ได้บอกได้ต้นว่าอาจารย์ตุ่มได้ดูแลทางหลวพ่อขงเขียนอาจารย์กำพุนมาเพราะนั้นเรื่องสามารถที่จะหยิบอะไรบางส่วน ในสิ่งที่ดีๆที่ท่านฝากไว้ก็เรียกว่าประชิมประชิมโอกาสประชิมโอวาทแล้วก็ตำซึ่งในคลิปนั้นผมได้ดูตอนหนึ่งตอนที่อาจารย์นโนตหรืออาจารย์ตุ้มได้ได้ตกแต่งภาพของอาจารย์กำพนก่อนสิ้นใจนะก็เป็นภาพที่เรียกว่าเอามาแชร์ได้ตลอดแต่ว่ามีคำมาหนึ่งที่ก่อน ที่จะอาจารย์กำพลจะหยุดการพูดเนี่ยคุณเอ๋เนาะไปคุยด้วยค่อยๆไปไปสัมภาษณ์ว่าการที่ได้ดูแลมาตลอดเนี่ยขาผอเหมือนกันขาพรจากกำพลว่าเขาต้องการอะไรคุณเอว๋วต้องการการบรรลุธรรมด้วยการได้ลงตาให้ทำหรือบรรลุธรรมแต่ในระดบการบรรลุธรรมเป็นเพียงคำพูด แต่ของจริงคือชีวิตที่ไม่ทุกข์ถ้าทําชีวิตนี้ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยการบรรลุธรรมก็มีตลอดอันนี้เป็นคําพูดที่น่าทุกคนควรจะไปพิจรารณาว่าเราต้องการการบรรลุธรรมหรือต้องการไม่ทุกข์กันแน่เพราะสิ่งนี้ที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งเดียวกันแต่อีกคําหนึ่งที่คําพูดสุดท้ายของอาจารย์กำพลที่เข้ามาแชร์อันนี้ไม่ทราบว่าจะถูกจะผิดยังไงนะเพราท่านบอกว่า คุณเอพยายามคล้ายๆว่าขยันขยอยให้ให้ใหใหใหใหได้พรเป็นจริงที่ท่านพูดมาอย่างงั้ น, นมีอะไรที่รับรองแต่ท่านพูดคําหนึ่งท่านบอกว่าผมไม่เคยทําบาปมาตลอดชีวิตมีคํานี้ไหมครับอาจารย์ที่แช่นะแต่ที่เขียนลงไปมีคํานี้เท่านอาจารย์นุษ์มีผู้เขียนลงไปว่าผมไม่ไม่ได้ทําบาปตลอดชีวิตซึ่งเป็นคําที่เป็นเป็นคำประกาศที่เรียกว่าคือไม่เคยไม่เคยได้ยิจาก คนอื่นมาก่อนน่ะนะใช่ไหมเป็นคําประกอบประกาศของคุณก่อนที่จะสิ้นซึ่งไม่ใช่คําพูดที่ธรรมดามันจะต้องเป็นจริงมากไม่มากก็น้อยแหละนะ ถ, ถ้าถนั้นประกาศผมไม่เคยทำบาปมาตลอชีวิตเป็นคําพูดที่เป็นองค์อาจอาจหารก้าหารมากเป็นการประกาศที่ก้าหารมากทีเดียวเขาเรียกว่าเป็นอภิสวาจานะผมไม่เคยมาทำบาปไม่เคยทำบาปมาตลอชีวิตแล้วก็ สิ่งหนึ่งคื อ, อคําสรุปของพลวงพ่อเขาเขียนว่าคือไม่อยากจะให้ทําคนอื่นให้เป็นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงไม่ ว, ว่าตัวเองจะเจ็บป่วยหรือต้องการอะไรตามที่จะมาหรือผมเคยอยู่กับหลวงพ่อคำเขียนมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้านจะไม่รบกวนผื่นถ้าจะช่วยเหลือตัวเองด้วยทุกวิธีทางสิ่งไหนที่ดูแล้วท่านต้องการท่าช่วยเหลือตัวเองไว้ได้ท่านก็เฉยๆซะที่ท่านเคยเคยอยู่มานะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ตุ้มได้นำเสนอภาพทั้งสองท่านมาตลอดก็เหมือนก็นว่ามาระบายสีให้สวยงามแล้วก็นึกถึงพุทธภาษ์คำหนึ่งที่ว่าธรรมโอหะเวรคติธรรมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเปรีิตนะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเปรีิตเพราะฉะนั้นเราเห็นคนพิการเนี่ยอาจารย์กาพลเนี่ยถูกทอดทิ้งมาเยอะแยะมากมายไม่มีใครเอาใจใส่ดูแลเพราะอะไร เรจะบอกว่าพ่อมีไม่มีธรรมใช่ไหมเราจะเห็นเศรษฐีมีเงินถูกแล้วลูกหลานทอดทิ้งให้ตายอยู่กับบ้านโดยไม่ใครดูแลเลยทั้งท้งที่มีเงินมีชื่อเสียงเพราะเขาขาดอะไรเพราะขาดธรรมใช่ไหมนะธรรมมะย่อมรักษาผู้ปกเพื่อธรรมแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงมีบริวารขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีธรรมหรือมีธรรมไม่พอเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะรักษาไม่ได้ แต่ถ้ามีทําแล้วเนี่ยแม้แต่คนพิการที่ เ, เรียกว่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เมื่อมีทําแล้วอะไรๆก็ต้องมาช่วยกันดูแลรักษาอันนี้เป็นสิ่งที่ประกันพุทธภาษิตบทนิวรธรรมูฮาเวรักติธรรมจารีเพราะฉะนั้นการที่เราประพฤติทำเนี่ยเป็นการสร้างภาพให้กับตัวเองสวยงามทั้งในส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมและเป็นสิ่งที่บทสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก่อนภาพนี้จะจบวาดภาพนี้ จ, จบของชีวิตเนี่ย ก็จะมีคนอื่นมาช่วยเติมเต็มในหลายๆด้า น, นมาให้บกป้องในแง่ของรูปธรรมนามธรรมก็ตามนะเพ mm hmm. ราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายมีความมุ่งมั่นปฏิบทท mm ัติธรรมไม่ให้เกิดความท้อท้อไม่เกิดความเบื่อหน่ายไม่ให้มีเงื่อนไขอะไรมากปฏิบัติก็คือปฏิบัติอย่างในช่วงนี้เรามาปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมบูชาของให้แก่พระอาจารย์อาจารย์กำพล เราก็ต้องจังตั้งใจทำจริงจริงนะก็เมื่อวานเราก็ทำได้ขนาดั้เนะมื่อวันนี้ถ้าหาอากาศในช่วงบ่ายไม่เรียบร้ายไม่ร้อนเกินไปเราก็จะตั้งใจปฏิบัติเพราะเมื่อวานนี้ลองลอ ง, ลองดูนะแล้วก็เราเองก็มีธุระออกไปข้างนอกนิดหนึ่งกลับมาค่อนข้างเย็นก็โอเควันนี้เราต้องขยับขึ้นนิดนึ่งนะให้เข้มงว่าึ้นนีหน้หึงก็จะสวยขึ้นเพื่อที่จะนะ เรียกว่าคําที่วิทยาจารย์ตุ้มได้นําเสนอมาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะที่ท่านกล่าวมาถึงภาพทั้งสองท่านเราก็จะได้ทําให้การปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมบูชาเนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นวันนี้อีกวันหนึ่งก็ขออนุโมทนาครับ น, นุมนพระเรากราบพระเราผมจะาพาญาติโยมปฏิบัติต่อรเราจะเตรียมตัวไปวิทยาบทนะญาติโนะ ย, ยมเก็บหนังสือเดี๋ยวเราจะได้เรียนจบกลุ่ม พร้อมแล้วกลา เก็บหนังสือเก็บอาสนะ<ม>ล้วจะเดินจุ ก, กลมร่วมกัน